วันนี้ก็ตรงกับวันอาคิตที่ยี่สิบหกธันวาคมนะสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะผมใช้ปีเก่าเราเรื่องเก่าเก่าให้ฟังแต่ไนมะ่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิที่เธอต้องคิดเอาไว้ก่อนสเสมอสเสมอว่าเรื่องกฎของธรรมดาเรียกว่ากฎของกา ร, ร คิดไวหลือยางนะเพราะเพิ่มพิจากกจรณ า, าเรื่องกฎของกรรมเอาไว้ว่าเราเกิดมาก็เพราะกรรมตายก็กรรมอยู่ก็เพราะมีกรรมดันั้นทีสอยู่ทุกลมหายใจก็ออกก็เป็นไปตามกรรมกรรมมันเหมนก็ะบทบาทที่ก็อเขียนล่างเอาไว้ว่าจะต้องไปเจอเจอสิ่งใจ เราเป็นนักแสดงแล้วก็ต้องแสดงไปจากบทบาที่เขาเขียนทิ้งเราจะคิดเห็นในตัวตัวว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นคนจะเป็นอย่างนี้แต่เราก็จะฝืนในเรื่องบทบาที่ต้องให้เราแสดงไม่ได้ก็ต้องแสดงตามนะจะจบจบมันก็มีวันยังเข้าไม่ว่าเราต้องเจอกับสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ตาม แต่ก็เป็รที่เราต้องทําความเข้าใจว่าทุกคนก็เป็นนักแสดงเหมือนกันถ้าใครบกพร่องในศีลเป็นคนทุ้มตนหน่อยเรื่องของเขาก็จะมากหน่อยเป็นคามโหดร้ายอย่างมากไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ก็ดีเลิกละจากร่างกายนี้ไปแล้วเขาก็ต้องได้รับสิ่งที่เป็นความโหดร้ายนั่เกิดจากการกระทําของเขานั่นแหละไม่ใช่ของใครเผ่อว่า ศาสตร์ทุติและติณไม่มีในใจของเขาตายไปแต่ติณมันเศร้าหมองเมื่อกดึงเข้าไปตัวอมรรจุภูมิเขาก็าจะไปเล่นบทบาทของการตกรกต่อไปนั่นก็เป็นไปตามครรมแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิบทบาทของเรามันก็จะบรรเทาเรื่องกฎของการมไปในปัจจุบันในชาติจะได้กรรเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วคงห้ามยาก ที่จะให้มันไม่เกิดจะในเวลาเดียวกันถึงจะมีสิ่งที่ต้องเกิดพระท่านัวดีเทวดารักษาตัวเราก็ตามภูริบาอาจารย์แล้นั้นท่านผู้มีพระคุณจะเป็นปีดาบาดาที่ท่านสวยปางจุบนสวรรค์บ้างบ น, นโมโลกบ้างนิพพานบ้างท่านคงไม่นล่งดูดายว่าคนที่มีจิตไม่นคนตั้งใจดีกำลังเดือร้อนเทวดาก็คอย เ, เือร้อนไปด้วย ท่านจะคนไม่ได้เพราะว่าความดีของเรามันหอมทวนลมมันทําให้แม้แต่บุคคลใดจะใช่ญาติาหรือไม่ใช่ญาติก็ตามเมื่อเห็นคนดีเดือดร้อนเขาต้องช่วยแม้กับเรื่ที่คนดีในโลกมนุษย์เดือดร้อนท่านบรรดุคำพงศิลาอาร์ตขอไปอติ้นขางท่าปลูกอติก็จะแข่งก็ได้ทํำให้ท่านต้องคิดมองดูถึงคนว่าใครเป็นคนที่กําลังดีบตญญาธิการ เรืี่ความดีเดามรับปรามเหลือร้อนต้องเข้าไปช่วยไหมช่วยความไดม้การมีอยู่ในการที่เรามีสินบริสุทธิ์เราไม่ต้องกลัวหรือแม้จะมีวิปากกรรมที่ทําให้เราต้องเจ็บเจียเรื่องที่เลวร้ายแค่ไหนแต่โบราณโบราณเขาบอกคุณพระกุศเจ้านช่วยเสมอแต่ว่าพระจะไปจะช่วยความดีของเรานี่แหละทําให้เจวดาท่านเห็น ่ก็ไม่ประสงค์ที่จะให้คนดีนั้นเดือดร้อนเกิดไปถ้าจะขจัดตัดเป่าให้มันเกิดน้อยหรือไม่เกิดก่อนก่อนที่ถึงการเวลาที่มัเกิดจริงเป็นการตัดกบไปยกตัวอย่างว่าถ้าคนดีนันต้องเดือดร้อ น, นถูกทับจิตมาหลาขึ้นไปถ้าถ้าซับจิตเล่านั้นมันจะไหลไปหรือหายไปเราก็จะมองมองไม่เห็นหาไม่เจอ แต เ, เวลาการเวลาที่จะต้องสูญเสียและหายไปจริงๆเนี่ยคือสุกทำลายไปจริงๆมัอีกรอบเวลาหนึ่แต่ท่านทาให้มันเกิดก่อนเกิดการหายตูญเสียไปซะกอ่อนพอมาเลยเวลาปั๊บเราก็คนเจิกขึนแล้วก็จะเกิดเจนะิดสิฮะแล้วตัวอย่างวันนี้แหละถ้าเราเป็นคนดีดมีศีลแล้จะมีวิบากกรรมอะไรเข้ามาทําให้เราต้องพบกับความไม่มีความสุขเลย แต่ในความดีที่เรามีสินบริสุทธิ์ก็จะเชื่อพยุงใจเองาเราไม่ให้มันทุกเกินไปทรมานเกินไปและนความดีที่เจอมีตอนนี้คือเมื่อเราจะมาทานแล้วก็ต้องตั้งติว่าเราเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์นะว่าไอ้คิดจะทาเวลานี้ไม่คิดแน่ยุยงส่งเสริมใครทำก็ไม่คิดแน่ยินดีไม่เห็นคนอกืกนเขาเราก็ไม่คิดแล้ว เราคิดว่าศเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราทำให้ชีวิตของป่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ซาลมาดใจเกินไปแม้แต่ร่างกายก็ไม่ถูกการกระทบกระเทือนจนเกินไปถ้าวิบากกรรมนั้นมันไม่ถึงขั้นอุ ป, ปคตตะกรรมี่ทำให้เราต้องตายปัจจุบันทันจัวตัวอย่างาเปรตประคุณหลวงพ่อเราผู้มี บารมีเรื่องมีศีลบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นแม้ท่านจะจบซึ่งอายุไขัยท่านยังต่อต้องต่ออายุไขให้กับท่านได้อยู่บเป็นบารมีต่อไปเห็นไหมตั้งแต่ท่านเกิดมาเลยเกิดมาท่านก็ต้องระจญกับโรคไขยไข้เจ็บแล้วตั้งแต่เล็กจนท่านจะมาเปลี่ยนชื่อใหม่พราแม้การท่านของท่านการเปลี่ยนชื่อใหม่ได้อยู่ไปมานานถ้าท่านเจ็บปิดปยแค่ไม่สบายใจท่านจะต้องเอาชีวิต ห้วงพ่อท่านจริงเรวาวาระตายของท่า น, นต้องผิดครั้งหลายครั้งแต่ท่านจะรอดมาได้รอดมาได้รอดมาอยู่ผ้าตาสวัดได้ทั้งทั้งไม่น่าจะเข้ามาอยู่ในผ้าตาสวัดิ์เลยถ้าตามดวงชะตาเทียหงพกก่อเคยไล่ก็แต่ท่านก็อยู่ในผ้าตาสพัดิ์จนจบชีวิตของท่านตายทาผิดของพระศาสนาเสร็จสิ้นได้ ยังประโยชน์ตามที่ใจของท่านต้องการอย่างจมบูรณ์ได้นี่แหละคนดีหรือผู้ที่มีความตั้งใจดีอุบัติเกิดมาเพราะตั้งการสร้างความดีพี่แม้จะมีวิบากกรรมเพียงใดก็ตามแต่กรรมก็ไม่สามารถจะมาทําลายบุคคลที่เป็นคนดีไม่ได้โอกาสที่จะผิดได้ตามตามปัตนาของตนนั้นเใจต้องคิดว่าเรามีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่า เป็นสที่ควรจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างแท้คริงเป็นจังเรารักษาได้เมื่อได้แล้วไม่ต้องกลัวอันตรายไม่ต้องกลัวภัยวิบัติทั้งหลายหรือมันจะเกิดก็ดเป็นเรื่องปกติของปุตที่มันต้องเงกิดไปหึกอกับแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีบุญเข้ามาช่วยด้วยคางดีเพื่อยักย้งไม่จําตรงนั้นน่ะมันทําลายความสุขของเรามากเกินไปเพื่อประจัดปัดต่อไปได้ ทีนี้เราก็ว่าต่อไปว่าเมื่อเราเป็นผู้มีสิิตบริสุทธิ์ดีแล้วเราจะทําอย่างไงให้ใจของเรารู้สึกว่ามันสงบมันไม่กระจัดกระใสวุ่นวายก็หันมาพิจนารณาอยอมรับความเป็นจริงว่าถ้าเราไม่มีร่างกายจิตเราก็ไม่มีภาระภาระที่ต้องทําให้จิตของเราตัวเราเองอวุ่นวายถูกไหม งั้นคนไม่มีบุตไม่มีกิี่จะคือไม่มีรูปก็ไม่ต้องเอาจิตใจไปวุ่นวายกับผู้จิตเป็นรูปถ้าวุ่นวายจะพอเรื่องของตนเมื่จิตไม่มีร่างกายแทนที่จะจะวุ่นวายแค่จิตของเราล้นวนอย่างเดียวก็ต้องไปแตะภาระให้ร่างกายนี้ที่ทําให้ตัวเราเป็นภาระที่คอยทําคอยจัดการคอยให้มันทิ้งแทงเราจนเกินไปเราจะทําอะไรให้มันสบายใจใ ห, หน่อย แต่เด๋ยวมันก็ดันแล้วจันออกมาทางถาวเนี้ยอยู่ไม่ได้ก็จจุบัรีบไปเดี๋ยวมันกระดัานไปปวดที่เขา่าที่ขาที่โน่นที่นี่ลงมันดันแหละจะให้ประสาททั้งหลายมันมันแปรผบลเสียไปเห็นไหมเลื่อนลงเดินติดปกติเป็นแล้วเดี๋ยวมันดันขึ้นลงร้ายขึ้นสมองขึ้นเบื้องบนลงร้ายลงเบื้องล่างเห็นไหมมันขึ้นแทงไปทั่วสารพัดกาย รมก็ดีธาตุไฟก็ดีธาตุน้ําก็ดีธาตุดินก็ดีมันเขย่าจิตใจของเราให้เป็นภาระงตลอดทุกลงหายใจเข้าออกแต่ถ้ามันไม่มีร่างกายเสร็จแล้วติดเขาเรามันก็จะมีอิสระมากกว่านี้เยอะไม่ต้องไปพวงไม่ต้องไปนสนใจแต่สิ่งที่สมาธิทำให้ภาระของใจจะต้องมีเราก็จะมีอารมณ์ของเราที่มุ่ง ม, มั่นไปติตใจสิ่งนีงไน้ได้ง่ายจริงไหมง่าย ท่านใจ ก, ก็จงพิจารณาตามนี้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยในความบีทั้งหลายที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเพราะพะน้ำพระใยที่องค์พระเดชพระสงต์ตวัตดีตภาพจงแม่ตาต่อเรา mm hmm. ทำให้ปรากฏแค่คำคำสั่งสอนได้ปรากฏพระอริยสองทั้งหลายมากมายสุดจะนับประมาณ mm hmm. เราเป็นคดหนึ่งนะ่ะที่ได้ อันใสความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสัพสิ่งวิบัติทั้งหลายเขาเรียกว่าใครอันจะลายทั้งหลายที่มีสติใจเรามันเพียงแค่ข้อลดละคลายตัวลงไปคลายตัวลงไปจ น, นวันหนึ่งที่เราสามารถทําความเข้าใจอย่างแจ้งแจ้งเชื่อในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างหมดคําว่าหลักเลสงสัยเมื่อนั้นใจของเราก็จะพ้นจากคำหน้าที่ดึงใจเราไปทุก ให้โทษต่อไปถูกไหมถ้าพูดอย่างนี้เล่นยๆไปก็มีหวังหลับให้เข้าเล่นกันเลยดีกว่าแล้วางใจอย่างนี้นะเอาจิตเป็นที่ตั้งร่างกายถือว่ามันเป็นภัยอย่สนใจเ่แล้วจเวลานี้เราเอาใจปังเอาจิตคิดเอาจิตจำนะเอาจิตแล้วก็รู้ ในสิ่งที่มีเสียงเข้ามากระทบผ่านผ่านไอ้เน่าเนี่ยนะไอ้หูเน่าๆเนี่ยผ่านเข้าไปแในสิ่งใจใเราได้แลนน้วก็นึกถึงข้าผู้มีพระคุณที่ทําให้พระศาสนาเนี่ยยังได้เป็นที่ชื่นชมยินดีของเราและทุกๆคนได้เป็นเมตนาบุตรทาให้เราได้มีโอกาสมาพิจบัติได้จนถึงวันนี้ในเรื่องของ ท่านที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยต้องถือเอาว่าเปนิศฐานก็ได้เป็นเรื่องคาดเดาเอาก็ได้นะแต่เราใช้กําลังของสมาธิจิตที่เธอมีกันอยู่ที่สามารถจะปรตัญญาเล็กๆได้ไม่ต้องใหญ่นะักก็จะดึงเข้าไปสู่ในเรื่องของอดีตจัมยานคือเรื่องของอดีตแล้วก็เลอถึงเจโตปริยญาคือความเป็นจิต กำลังใจของท่านผู้ที่เรากำลังจะเอ่ยถึงว่าใจของท่านนับเวลานั้ น, นมีความแ ป, ปรปวหรือมั่นคงในเรื่องอะไรอยากที่ท่านต้องเจอกับสิ่งที่เป็นภัยทั้งคนทั้งไม่ใช่คนท่านจะใช้ความเป็นใจของท่า น, นต่อตู้กับสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกอะไรคิดอะไรและจะไปค้นหาคำตอบด้วยการคาดเดาเอา นะไปตอบแทนท่านคงยากถึงห่หและเรื่องจะเกิดอย่างไรเราก็ต้องคิดว่าเป็นนิทานกันนะไม่ถือเป็นเรื่องจริงจะถือเอาว่าเรามาปฏิบัติเราต้องพึงอาศัยผู้ที่เป็นตัวอย่างเพื่อจะทำให้เราได้เข้าใจในธรรมได้มีกำลังใจในการปฏิบัติได้ปูกทานมากขึ้นแด้จึงของนำเรื่องของพระเจ้าตา มาเล่าให้เจได้ฟังต่สักสามช่วงช่วงแรกก็คือช่วงที่พระองค์ท่านกอบผู้เอกกราชช่วงที่สองก็คือการธนุพําลุงช่วงที่สามช่วงที่สามคือการตลาดนะเราก็มาขับใจของเราเบาๆสบายๆไม่เป็งท่าน ขอความเมตตากรานีจะกองค์เสด็จพระกิตนาสีบรมัสสะสดาสมานสามพุทธเจ้าเป็นประธานครูบาอาจารย์เจ็บเด็บกันมามีนบุป Paran วัดบางดงโคมีพระเด็จพระคุณหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อตาให้บทเมตตาสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในการตัวทฤปฏิบัติใจของข้าพเจ้าทั้งหลายและสิ่งที่จำเรียนรู้หรือทําความเข้าใจ ยองยาให้ข้าพเจ้าได้สามารถพิจิตรณาเข้าถึงธรรมได้อย่างโดยง่ายถ้าหากจะมีสิ่งที่ปรากฏในกำลังแห่งอภินยาสมาบัติก็ขอให้เกิดมันภาพเกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าชัดเนจนแจ่สาสตามฟ้าเป็นจริงด้วยเถิดแล้วเาเล่ากันต่อไปนะ ยน่งถ้ า, าพูดถึงท่านทันก็ต้องขึ้นตนว่าใจของของพ่อตาเนี่ยของพ่ตาติณต้ามีใจประสงค์ที่จะได้เป็นองค์เสด็จพระสมมาสังูุจจารพูดถึง ส, สมัยนั้นนะเพราะท่านบำเพ็ญบารมีพระโพชิสศัตว์ุคคลที่บำเพ็ญบารมีด้านนี้ที่มีกำลังใจถึงขั้นเป็น ความคิดของท่านจะมีแต่ทางเดียวเพราว่าสิ่งที่ท่านคิดเห็นในความตั้งใจทำถ้าจะมุ่งแต่เรื่องเดียวเป็นใหญ่เรื่องของท่านที่ตั้งใจจะลงมาเกิดจนเป็นช่วงของพระศาสนายุค ป, ปลายก็ศ า, าสนาที่จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยุบยุบที่เสื่อม ส, สุดแล้วนะ ที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้เคยจะคุยในพุทธยา ก, ก่อนเอาไว้ว่า 2,504 0แรกแต่ 2,504 0หลังเคยตั้งไหมในช่วงเวลา 2,504 0แรกเนี่ยการจเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาษก็มีในต้นแล้วก็ค่อยเสื่อมลงมาเรื่อยๆว่าทำยังไงก็เสื่อมก็ศาสนาก็มีคน ที่จ้องจะทำลายศ า, าสนามากขึ้นแม้แต่ผู้ที่เข้ามาบวชเป็นสมณะ ก, ก็เป็นไปด้วยจึงการเวลามันก็ไปเปลี่ยนไปก็คือว่ามีผู้ที่บำเพ็ญบารมีดาา้านพระิสัตเข้ามาพยุงศ า, าสนาเอาว้เป็นยะระยะจะมาระยะที่องคตเถรัตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้พูดมีพุทธยาก่อนว่าดินแดนสยามเนี่ย ต่เป็นดินแดนที่มั่นคงในภาษศาสนาของพระองค์ครบ 5,000 ปีแต่ในระยะเวลาที่องค์เด็พดระจินาสีบร า, าสมาศสระสุนทเอาไว้ว่า 5,000 ปีแรก 5,000 ปีแรกก็มีการตั้งมั่นอยู่เบื้องต้นค่อยๆเริตรงในถ้มกลางแล้วมันก็เกิดตจถึงที่สึกในเบื้องปลาย ก, ก็ใกล้ๆที่ 5,000 ปีแรก นั่นเป็นช่วงระยะเวลาที่แทนเดนสยามเนี่ยกำลังถูกทำลายทั้งหมดทั้งศาสนายุคนั้นนะเพราะว่าคนที่เขามาเอาประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าของโดยจะเป็นสมบัติของเขาเขาพยายามทำทุกอย่างที่จะทำลายทั้งหมดว่าครั้งแรกเขาทำลายจียงแล้ว แต่เป็นการทำลายที่มั น, มนยังมีอะไรจิตใจที่ดีงามเพราะว่าสมัยนั้นพระเจ้าบุเรงนองใช่ไหพระเจ้าบุเรงแล้วก็พระมหาธรรมราชาสองท่านเป็นคนดีทั้งคู่จึงทำให้ปราสาทสนาตอนนั้นประเทศสยามตอนนั้นยังไม่ถูกทำลายอย่าง ย, า ย, ายั้เยือ พอมาล้นลูกล้นมีคุณธรรมเสื่อมเขาก็มีแตแรงพยาบาทอาฆาตเจ็ดแผนหวังว่าท่านจะต้องทำลายให้กดนิี่เพราะช่วงระยะที่พระเจ้าบุเรงนองท่านขิ้นผระชนไปแล้วนะต่อมาก็มีคนผู้เป็นกุดร่าจะโอรสขึ้นมาแทนก็จะมีจิตใจที่คอยเหยียดหยามคนไทยคอยจะทําทั่หัหั่นคนไทยอย่างเดียว แต่ก็ถูกพระนเร่วนเอาชนะได้และระมาฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่หลังจากพนะเรศวนเส่็จตรงสวรรคตรไปแล้วคนที่มาคาร่าก็กำลังใจก็อ่อนลงมาอ่อนลงมาอ่อนลงมาเรื่อยๆก็เปรียวบว่าคนผ่านมีกำลังมากความเคียดแค้นถูกพยาบาทของเขามันฝังลึกมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้ว เขาจึงคิดอย่างเดียวว่าประเทศสยามจะต้องไม่มีวันเจริญขึ้นอีกอไม่ไม่ขุดมางเกิดข้างใ น, ในง่ายๆอีกคราวนี้คือการทำลายให้สิ้นซากใจของคนพานเนี่ยมันถูกฝังเล็กจนมาแบบนี้เห็นไหมเขาคิดว่าวจะไม่มันพุ่โตัวมาไร้อีกเลยรุ่นข้อและรุ่นตาเนี่ยทำมาแล้วแห่อำนาจไปทั่วสารกิจ แน่จัดสยามก็ยังต้องเป็นเมืองขึ้นแต่่าแต่สมัยนั้นพระเจ้าจบุเรงนองท่านเป็นคนดีนะไม่ใช่นคนเลวแต่เพราะความใจดีของท่านนี่แมันทําให้คนรุ่นลูกเนี่ยมันขาดคุณธรรมขาดการมีจิตใจอันดีงามที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนรุ่นลูกมันเมื่อมันไม่มีคุณธรรมประจันใจแล้วมีแต่ความเป็นคนผ่าน ที่จับเขาขาทุกทสิ่งทุกอย่างให้มาโมดมาลายให้เป็นเสี้ยนเสียและตัวเองก็จะปกครองมันทั้งหมดมันก็ปกครองคนไทยจะติดกันท่าไปเลยเป็นอาว่าประเทศนี้จบเสิ้นกัรที่จะไม่มีวันเงยหัวขึ้นมาได้อย่านี้นั่นคือความคิดของเขาในการเสกกลงครั้งที่สองเขาจึงกระทาด้วยกองทัพอันมากมายผู้คนแล้วก็พยายามวางทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่คนรับสึกภายนอกภายในก็าทำหมดทามาแต่ระยะเวลาเป็นปีเขาไม่ใช่จะลิและโกดขึ้นเลยนะคนขเข้าส่งเข้ามาคนของเขาก็เริ่มส่งเข้ามาเป็นสายลับเป็นบุคคลที่เข้ามาปกปกปกัป่นป่ว น, น, นให้คนเงนเะ้นคอยไปทำแตกความสามัคคีเช่นกันและกันนี่คือกฎอุบายสิกอย่างหนึ่งซึ่งก็ใช้ระยะเวลานานเป็นปีกว่าเขาจะเริ่มยก กองพับเข้ามาย่ำดีนั้นเวลาในช่วงเนี้ยังเป็นเวลาที่มันมันเหมือนกับคนปวดท้องอ่ะแล้วมันถ่ายไม่ออกประม่านไหมมันวนๆอยู่ในท้องเนี่ยแล้วมันไม่สามารถจะขับมันออกมาได้ขจัดมันไม่ได้มันเหมือนกับเวลานั้นอารมณ์ใจของคนมันตกในที่นั่งขุนวัวกันไปหมด ในสยามถ้าสงฆ์ของประเจ้าก็มีไม่มีโอกาสไม่ว่าไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะปฏิบัติถ้าท่านที่มีความรู้ความสามารถจะด้านการจบการตึกการรบท่านจะต้อตงร่วมแทนที่จะเอาเวลาไปรประพฤติปฏิบัติทำคำมัธยันต์ประตปฏิบัติจิตของสงฆ์ก็ต้องมาร่วมในในเรื่องการตึกด้วยจะเห็นภาพประโยชน์ไหมละ่ะพระยังเฮี้ยอยู่หน้า นะต้องคอยทําผ้าอย่างตะตดตะกุดนะทําไอ้นั่นไอ้นี่จะเวลาไปทําอะไรน้าสงสารนะและ้วแทพศาสนาจะอยู่ยังไงถ้าฝืนแผ่นดินฝืนนี้มันมาลายสิ้นจากคนดีแต่แล้วคนดีไม่มีไม่มี ม, ม, มีสิทธิ์ที่จะความงแผ่นดินที่เป็นแกงของศาสนาเอาคนเลวเข้ามาเป็นของมาต้องทําลายย่ำยีก้น หมดปีหมดถูกไหมแล้วสื่อวิทยุิมันเข้ามามาทําอย่างนั้นจริงๆเพราะพุทธลุกสำคัญพุทธลุกฟองคําอะไรมันจัดการ ม, มันทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวยั่งยืนได้แนมะ้กระทั่งเมืองทั้งเมือง ม, มันก็เผากุงศีสิยาถ้าจะไม่เหลือซากไปเท่าไหร่เห็นมันมันขนไปหมดเท่าที่มันขนได้เอาไปหมด อะไรที่จะเป็นจุดที่จะทําให้สยามประเทศเนี่ยพื้นตัวได้เนี่ยมันตัดหมดเลยนะปัดทุกเรื่องแล้วลองคิดอยู่เนี่ยในระหว่างที่จะเกิดถึงขั้นขนาด น, นั้นเขามันมวนมวลมันปัดโกลนอย่างเงี้ยมันจะจับกันสายมันไม่มีอารมณ์เป็นสุขแม้แต่ดเดียประชาชนก็หาความสุขสงบไม่ได้มีแต่ความละส่ำระสายไอ้นั่นจะเป็นภาพที่คนไกล มันยังมองไม่เห็นภาพชัดเจนว่าอะไรจะเกิดแต่คนวงในคนวงในที่มีจิตรับรู้รับเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะรู้สึกยังไงจะคิด น, นับเวลานั้นนะหลวงพ่อตากตอนนี้นะเราจะเป็นหลวงพ่อนะแต่มาแล้วก็จะเป็นพระเจ้าตากถ้ามาพระเจ้าตากเขาจะคิดยังไงนี่มัเห็นก็เห็น ได้ยินก็ได้ยินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะทาอะไรไม่ได้ขับแค้จิตใจไหมท่านต้องขับแยนจิตใจแล้วสิ่งที่ท่านตั้งมั่นอยู่กับแผ่นดินของไทยที่เป็นที่รองรับพรศาสนานี้มันสําคัญที่สุดของท่านเลยนะเพราะท่านในความเคารพในพระนาสนายอย่างยิ่ง เ, เห็นคนแห่งพระศาสน า, ามีค่าที่ทําให้คนทั้งหลายเนี่มีโอกาสจะพ้นจากความทุกได้ และถ้าผืนแผเดินคืนนี้มันตกเป็นของคนื่นที่เขาครอบคองโดยคนา่านทุกอย่างในางาศาสนาและสิ่งที่จะทำให้คนทั้งหลายมีโอกาสที่จะมี จ, จิตใจมีความสุขมีสวรรคมม์คมนิพพานได้เป็นอันว่ามาไกันแน่เวลานั้นพุทธภูมิเนี่ยที่เพื่อที่ทบรรพ็นิพราีใกล้เต็มจงลงมาเกิดหลายคนต้องช่วยกันเห็นไหม ไม่ได้มาท่านองเดียวหลวงพ่อก็มาท่านออื่นก็มาแล้วก็มีคนอื่นๆที่เขามีกําลังใจเข้มแข็งที่เป็นแก่พระศาสนานะก็ลงมาเกิดกันเยอะเนี่ยก็เป็นยุคสมัยที่ต้องใช้กําลังใจไม่กําลังคนที่มีกําลังบารามีเข้มแข็งลงมาช่วยกันหลายคนคนเดียวเอาไม่อยู่ นั่นเสรเราพิจารณาดูใจของท่านทูนหนึ่งที่เห็นความสําคัญอย่างเนี้ยได้สิ่งที่มันเห็นอยู่ต่อหน้านต่อตาเหมือนบางคนก็เชาว่ประเทศเราเป็นอย่างนั้นคนมันเป็นอย่างนี้คนคิดคิดอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามั น, นอึดอัดทลมานจิตใจได้ยินเมื่ อ, อไรก็รู้สึกทับแทในในใจตนเห็นอะไรก็รู้สึกไม่สบายใจตัวเองเห็นไหม ก็มีอยู่เยอะสมัยนี้ก็มีแต่ก็ยังน้อยกว่าสมัยก่อนเยอะนะนะในเวลาช่วงนั้นน่ะอารมณ์ใจของท่านน่ะต้องเลือกแล้วที่จะต้องทาอะไรแต่การจระคำวันลงไปมันมีกขบงกลับยังไงเสียอยุธยาก็ต้องล้มล้มสลายล้มสลายเพราะว่าคนที่ปกครองไม่มีกำลังใจเขียงพอ คุณธรรมในการปกครองคนก็ไม่มีอ่อนแอถูกให้คนพาที่อยู่ร่วมกันมีอำนาจคนเลวมาปกครองคนดีซะและ้วและคนเลวเหล่านี้มันก็มักมาในโลกราศจารกฎยศสามัญกาิ์ถูกไหมเมื่อทางโน้นก็ส่งสิ่งเหล่านี้เข้ามาคนเข้ามาคอยปกปักรคอยให้สิ่งต่างๆที่สามารถทําให้คนที่มันอยากได้อยู่แล้วมันสมใจ มันจะเลื่องไม้ยาที่คนเหล่านั้นจะคิดทำลายกันเองเห็นไหมอันนี้ก็จะยืมยืมมือกิเลสตัณหาการสูญเสียมันก็เลยเกิดขึ้นอย่างที่เธอได้ยินได้ฟังได้ได้อ่านมานั่นแหละแล้วนี้ไม่ก็ไม่เล่าต่อนะเล่าสิ่งนี้ว่าใจของพระเจ้าตากสมัยนั้นนะเป็น เป็นจิตใจที่ตั้งอยู่ในความซาราแมนใจอย่างยิ่งเหมือนว่ามือกำดาบแาบนี้จะฟังมันไม่ได้คนราะมันกรจัดๆแล้วทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นอึดอัดมากนะหากำลังใจอย่างนี้ดีไหมถ้าพื่อจะกาลังใจก็ต้องจัดว่าดี จะอากำลังใจไปทําอะไรนะอีกเรื่องหนึ่งนะนั้นช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจที่จะคิดและพิจนารณาว่าถ้าเราไม่ทําละอายอย่างใดอย่างหนึ่งคงจะต้องแผ่นดินนี้คงจะไม่มีวันกลับมามีพระศาสนาตั้งมั่นอีกแล้วดันั้นทางเดียวที่ท่านทําได้คือว่าออกไปเทียน แต่ถ้าก็าออกในยามถึงที่สุดจริงๆอยู่ประครับประคองตลอดนะอยู่คอยประยุกตําำมันถึงที่สุดทั้งทั้งที่ทรู้มันจะย่แย่เหมือนกับเรือที่มันจะจมน้ําก็พยายามที่จะปุดรูอุดรูที่มันมีรูเล่อรูแตกขึ้นมาสามล่องเรืออุดตรงนั้นปิดตรงนี้มันจนน็พักเข้ามาปุดขึ้นมาน้ําจะเต็นเรือจะแตกอย่าเนี้เป็นต้นแต่ใหาพยายามทําจนถึงที่สุดจริงๆว่ามันจะต้องจมจริงๆแล้ว ถ้าถึงโดดออกจากเรือไปได้กระตาใจที่เรือมันยังไม่จมท่านก็ยังไม่ออกจากตรงนั้นทาํามาถึงที่สุดเผื่อว่ามันจะกลับขึ้นมาได้แต่ในกฎของความเป็นจริงมันก็ต้องเป็นศาสตรเชิงวันยังค่ำในจริงการสมัยจะต้องมาลายสิ้นไปเสียในยุคสมัยของคงศรีอุสุจิยาอุสุจิยา mm hmm. ก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมดา เยะได้ก็ไม่มีประโยชน์กฎเกณฑ์มันก็เป็นกฎเกณฑ์ของมันถูกไหมว่านนําคนของท่านออกมาที่มีกําลังใจคล้ายกันมีความเห็นตรงกันจุดหนึ่งละที่มีความสําคัญที่ท่านใช้กําลังใจอีกครั้งหนึ่งในตอนท่านรวบรวมลพลพรรคของท่านคนทั้งหลายเขาไปตีเมืองเมืองแรกที่ตีอ่มันไปทางนู้นนครนายกใช่ไหม ไล่ระครนายกไปจินบุรีไปด้านนี้แประยองชนบุรีแประยองตั้งเมืองที่ระยองซุวยครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่จะต้องกอบกู้อิสรภาพได้ก็คือต้องอาศัยกำลังทางเรือเป็นสำคัญตอนนี้กำลังใจมันใช้มาก แต่ว่ามันไม่ติดตัดรุนแรงเหมือนตอนที่ไอ้มันจะถ่ายไปถ่ายเนี่ยท่านออกไปแล้วก็รู้แล้วรู้ลับไปใช่ไหมไอ้อตอนมันมวนโมๆอยู่ในท้องเนี่ยนะตึกอัดนะตึดอันะดอมากงนั้นทุกวิชาชีที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่ถ้าไม่อยู่สิ่งเดียวที่มุ่งมั่นแน่วแน่คือต้องเอาแผ่นดินนี้กลับมาเป็นของคนไทยเพื่อยังพระศาสาศนาตั้งมั่นอยู่ได้เอาไว้ให้ได้ไในแค่นี้ในคากคิด ถ้าท่านจะไม่คิดห่วงไม่กังวลแห่งชีวิตไม่ว่าชีวิตของท่านจะต้องเจเ็บไปอะไรจะอดจะอยากแค่ไหนจะต้องทรมานในการนอนกลางดินเกินกลางลายอย่างไรจะต้องถูกไอ้พวกคนที่เป็นศัตรูคอยห้อมล้อมไล่ตีท่านแค่ไหนแนี่ท่านจะคอยหนีหนีห น, นีมันออกมาเนี่ยแล้วต้องเจ็เจียพวกมันพวกมันแล้วเขต้องไปคอยปลุกกาลังใจของคนเหล่านั้นกําลังคนหนึ่งเมื่อมันเพิ่มมากขึ้นถ้ากําลังทรับย์ไม่เหี้ยแย่ไหม แยกจากอะไรมาเลี้ยงยึดอยุยึดเอาการะยองมในเมืองนึ่งน่ะก็พอมีอาหารบริโภคพอที่จะเลี้ยงอ่าคนติดทั้งหลายได้และคนที่ติดตามามาร่วมรบได้แต่มันก็มีคนที่คนไข้ที่ต้อนมาเพื่อไม่ให้สุสกทุกพม่าเนี่ยเข็ดข้าก็มีฝ่ายต้อนก็ต้อนไปคนแก่คนขฒ่าคนเด็กก็ต้อนไปเพื่อให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ทหารนันเองทีความหน้าที่สอ ง, ส อ, งอย่างถ้านก็คอยปกป้องคนที่มีกําลังอ่อนแอเป็นคนของเราและก็ต้องเหยียดฆ่าศัตรูให้มันมีกําลังน้อยลงไปเจ้าเวลาไหนเวลาหลับเวลานอนเฮ้ยอย่คิดนะนอนก็ถ้าจะไม่ได้นอนกินก็ถ้าจะไม่มีเวลาจะกินคิดจะไปคิดเรื่องอื่นไม่มีเรื่องจะคิดมีแต่อารมณ์เดียวท่านั้าที่ต้องทำมันได้จากการปฏิบัติของเจอรลบนะ ที่ในระหว่าเรากำลังฟันฝ่าสิ่งต่างๆเพื่อจะเอาชนะกิเลสกังหาของเราถ้าเราไม่มีกําลังใจอย่างเนี้ยยากทุกย่านก้าวหรือทุกลมหายใจเข้าออกของเธอมันมจะเรื่องที่ต้องคอยขัดฝังเธอตลอดเวลาถูกไหมถ้าความไม่มีอิทธิบาทสิ mm hmm. ก็เว่าเธอไม่สามารถชนะได้ด mm hmm. ูตัวอย่างหลวงพ่อตากท่าน เรื่องอีกที่บาทสี่ท่านเป็นไหมเป็นความพอใจที่จะตั้งใจกระทําเพื่อเอาแผ่นดินนี้กลับมาเป็นของคนไท ย, ยรรทัยนหินวิริยะความเพียรจิตใจจดจ่อคอยไข้ควรจะทํายังให้กลับมาให้เร็วที่สุดต้องมาเร็วที่สุดนะไม่ให้เดินช้าด้วยนอนเนี่ยก็คือนอนคิดเต้นมาก็คิดนอนก็คิด หัวตาก็ต้องว่องไวคอยปกป้องคุ้มครองตัวเองและจะทำยังไงที่จะให้สตโจนัมมาบุตระล้ายแล้วจะเอาชนะสะตจอย่างไรจะเห็นภาพไปด้วยมหนักไหมหนักเข้านี้นะเจตนาของท่านเพียงแค่ต้องการให้พระศาสนาตั้งอยู่ แต่ไม่ได้หนักเรื่องลบลาค้าพันจากกิเลสจันหานะอย่างนั้นยังหนักนะกิเลสจันหาแล้วหาตัวหาตนไม่ได้นะน่าจะตัวเราเท่านั้นนะแล้วมีเวลาลบกับมันนะตั้งแต่ตื่นยันหลับนะลบกันทุกเวลาแม่แตกต่างกับที่ท่านกําลังลบกับความต้องฟันป่าแล้วก็รวบลงกองกําลังรวบลงกําลังคน และจะเอาบ้านเมืองกลับมาเป็นของของเราทุกคนให้ได้เอาไม่มีตั้งแต่กระตังกูเดียวนะพ่อของท่านเป็นพ่อค้าสัมภารนั้นญาติท่านทางด้านทางพ่อท่านก็จะมีเพื่อนที่เกี่ยวกับสินค้าทางทางจีนมาด้านสัมภาโดยสัมภาก็จะมีเยอะหน่อยนั้นเมืองจันทนบุรีจะเป็นเป้าหมายที่สาคัญเป็นเมืองท่า ที่สามารถจะขนตะเบียงอาหารกําลังพลังเงินที่จะมาซื้ออาวุธในการต่อเรือที่จะทําให้เป็นเรือรบมีแค่ที่นั้นทีเดียวเมืองจันจึงเป็นเมืองด่านอีกดา่านหนึ่งที่มีความสําคัญที่จะต้องเอามาเป็นยึดมั่นให้ได้ยึดเอาเป็นของเราให้ได้เอนงั้นนะกําลังคนเนี่ยไม่มาก แต่คนของคนในเมืองจันเนี่ยเขามีตาบอดตาห่านมากและไอ้คนเมืองจันมันก็ไม่ใช่คนตลาดแต่ว่าไม่ฉลาดก็ไม่ได้ว่าตลาดแกลงโกงหน่อยก็ได้ไอ้เนี่ยทีแรกมันก็บอกว่าจะยอมให้ผ่านง่ายๆตอนหลังมันยุกยุกอะไรลูกยุกปกปิดก็ไม่ยอมเห็นไหม ยังไงเสียท่านก็ต้องตีให้แตกถ้ายึดตรงนี้ไม่ได้โอกาสที่จะกรอบกู้ระเทศกลับขึ้นมาคงจะเป็นทางลิบหลีแน่นอนย่งที่เสือได้ยินได้ฟังในตาราที่เขาพูดว่าทุกหม้อข้าวมอแกงกันเลยใช่ไไปกินในเมืองวันนี้เราจะไปกินข้าวกันในเมืองถ้าเข้าเมืองตีไม่ได้ก็กอดตายกไปเลย กำลังใจไหมกำลังใจเมื่อเราเล่นกันถ้าปฏิบัติแค่เนี้ยทํามันสงบไม่ได้นั่งสมาธิแค่นี้งงงงงเง ง, งีอย่างนี้เป็นต้นนะตายเป็นตายตัดสินใจตายก็ตายให้มันตายไปเลยถ้าเราไม่กล้ามากที่จะทําให้เกิดผลได้ก็ให้มันตายไปเลยเราก็ต้องใช้กําลังใจอย่างนี้มันการถูกไหม ไม่งั้นเกิดฟันฝ่าความง่วงไม่ได้หรอกความฟุ้งซ่านเอาชนะไม่ได้หรอจริงไหมล่ะเออเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามที่จะข่มใจตัวเองให้มากเข้าไว้พยายามสร้างกําลังใจพลวัตเอาเถอะเป็นไงเป็นกันน่ะชาแนลิสทาไม่ได้และเราจะพูดทำไมวิพาดมันจะเป็นความหวังที่ไกลและเกินเหมือนว่าท่านจะทํายังไงให้ประเทศชาติกลับมาเป็นของพระศาสนา ที่ตั้งมันอยู่ได้มันยังไกลอยู่ไหมอีกแค่เงินแค่เนี้ยตีมันไม่ได้ทํามันไม่ได้มันจะพูดถึงว่าจะตอบร่วมประเทศชาติแล้วนั้นจอปุ่บปั่นก็จะพูดมปกปั่นไปไปตัดจอปุ่ปั่นนะปูปุ่บปั่นใจคนให้ทุกข์เคให้ต่อสู้ให้เห็นสิ่งที่มีความสําคัญ ว่าถ้าเอามาไม่ได้ทั้งท้ก็การเจ่งค่าไม่ได้เก่งข้าคนอื่นคนไทยได้กันซึ่งไม่ใช่ความนิยมชมชอบของของพระเจ้าต่ากแน่เรื่อทุกคนจึงเขาต้องการทุกคนต้องการความสามัคคีถูกไหมต้องการทุกคนเห็นดีเห็นงามไปได้กันจึงใช้การพูดในทางวาจาเจรจาพาทีก็แล้วพูดไหนก็แล้วแต่ไอ้คนมันขี้ระแวงระวังพอได้คนอื่นยกย่องส่งเสริมเข้าปัญญามันเสื่อม นะเธอระวังนะระวังกิเลสต่างหามันยุใจเธอให้มันเสื่อมเราบ้านคงในศีลมันก็ยุยงอย่างนั้นก็เราเสื่อมจากศีลเราบ้านคงในสมาธิมันก็ยุยงให้เราเสื่อมจากสมาธิพอเราตั้งใจจะทำฝ่าดีมันก็ยุยงส่งเสริมว่าจะทำรีบทําไปทําไมอนี้เป็นต้นทำมันจะได้อะไรเอ่ยมันยุบมัยุยุก็บกระตุกง้อมันใหญ่จเมือนจัน จำใหม่นะพอมันโน่แล้วบันไเลยไหมล่ะบันเลตรงที่ถ้าทําเป็นอย่างนี้กําลังใจเรื่อเปลี่ยนไปเปลีมาแบบนี้เอาไปใช้ไปได้ไม่ค่าก็ต้องค่าไม่ทำํำลายก็ต้องทำํำลายไม่ยึด ก, ก็ต้องยึดเพราะที่มันถ้าเราไม่ทําให้สิ่งที่ตั้งความหวังไว้มันก็ปนไปไปได้แล้วก็ต้องเอาที่จะเป็นคนไทยได้กันก็ต้องทํา มันเป็นก า, การกระทาที่ไม่ใช่ความสุขเลยเห็นไหมจิตใจทัานทรมานไหมทรมานเนี่ยอย่าลืมว่าเขาโปรยศักดิ์ถื อ, อยังไงเรื่องหนึ่งที่ท่านไม่ชอบจะทําลายทําร้ายชีวิตของใครจะเป็นไปได้ท่านอยากให้ทุกคนนะ่รักและสมามัคคีปองจองต่างซึ่งกันและกันมากกว่าน้ําใจของอโปริศักดิ์ต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่นี้มันสุดทิ่สยัยถ้าตรงนี้ไม่สามารถทําให้ได้พระศาสนาจะอยู่ยังไงเรื่องใหญ่ไหม เรื่องใหญ่สําคัญกว่ามีความหนักแน่นมากกว่าที่จะมองเรื่องแบบนี้เป็นสาระทําให้ใจของเราเนี่นมันปอดปอใจเฮ้ยอย่าไปตีมันเลยช่างมันเถอะวัดสงสารเขานะสงสารเขาเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนอย่าไปทํามันเลยแล้วเราไม่ทํามันเลยเนี่ยไม่ทําเสียเลยได้สิ่งที่มันยังประโยน์กับคนอีกมากมายที่จะเกิดขึ้น ถ้าปล่อยมันใช่ไหมถ้าปล่อยมันก็ไม่ใช่ดิสไซส์ขาก็โพธิสัตว์แล้ว<ม>นะอย่างนั้นส า, าวกก็ปล่อยแนย่ตัวใครตัวมันจะวะ<ม>ไปไปตามกรรมนะที<ม>่อยู่ก็แค่ตายตายคาตายไปแต่หลายก็จะหลายไปมันเรื่องธรรมดาเห็นไหะสาวกก็ปล่อยเปเรื่องธรรมดาแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่คิดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะท่านเห็นเรื่องของความสําคัญแห่งพระศาสนา ที่ทําให้คนทั้งหลายได้มีความสุขสําคัญกว่าสิ่งใดนั้นท่านยอมที่จะมีกรรมยอมที่จะมีกฎของกรรมในการฆ่าอะไรเึ็นต้องมีกรรมแน่จะไหมแน่นอนมันก็สั่งึลยถ้าวันนี้เ้าลุ่งเมื่ออารุณขึ้นไม่ตามารถตีเมือนแตกแปกได้ไม่ต้องกลับมาหเห็นหน้ากันอีกต่อไป ทุบเลยกันคืนทุบมอข้อมามอแกงทุบหมดนะแล้วตายจนนอน ย, ยิวเวลาอารมณ์ขึ้นยากเขา้าตีต้องเข้าให้ได้คนนั่งหยิบมือเดียวนะไม่ได้บ้างแต่ของเขาเนี่ยตํางแพงเมืองเขาสูงพอเข้าไปแล้วเป็นยังไงรู้ไหมเ่อนั้นเละ ไอ้คำว่าเล่ก็หมายความว่ามนน่ามนน่าสัเวชใจคนไทยก็จะมาพ้ น, นคนไทยคนไทยก็จะมาลี้ยวยแย้งที่กินที่อยู่ของคนได้กัดกินอย่าลืมว่าคนที่มาร่วมร่วมกันไม่ใช่ว่าคนมีจิตใจมนอย่พระเจ้าสามทั้งหมดถูกไหมคนมันมีกิเลสกัญหาที่หวังเอาความสุขได้ไเล็กน้อยน้อยมันมีมันก็มี และคิดว่าคนในเมืองจันทร์เขาจะไม่โกรธรแค้นเลยใช่ไหมอี่สมยัยฉันไปนี่ก็โดนไปองสวงที่เมืองจันทร์อย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งพูดอย่างเงี้ยและใสิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ใครอยากเป็นไม่ใครอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงหลบกฎของกรรมไม่ได้ จนในท้ายแค่ยึดเมืองจันได้ยึดเมืองจันได้ก็จะมีคนจีนเนี่ยเยอะในเมืองจันพอค้าคนจีนก็เข้ามาอ่าพี่เขาเป็นช่างต่อเรือก็มาจากเมืองจีนก็ทําให้ช่วยคนไทยต่อเรือเขาจะมีว่าอะไรจีนอาสาอกองกําลังของจีนอาสาในสมัยนั้นนะก็จะเป็น เรื่องราที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่เล่าตอ่อแจะมาพูดถึงว่าใจของท่านเนี่ยมีความสำคัญทำให้เราต้องคิดว่าแม้แตเกิดปัญหาของเราในการปฏิบัติถ้าเตอมันไม่ได้ที่พานน่ยเราจะหวังไว้ได้ความสูงสุดของใจเราเราจะไปถึงไหมมักผลที่เราต้องการอย่างน้อยบางเป็นพระโสดาบัน ที่จะไม่ตั้งตรงเอาใบยูคูมเนี่ยเอาแค่เนี้ยด่ารแรกเราจะไฟฟ้ามาเป็นสมบัติของเราได้ไหมเจอเรื่องนิดเจอเรื่องหน่อยเจออ น, นอันต์เอนีดถอยห่างถอยไม่เอาแล้วดีไม่เอาแล้วโฟตอนมันยุกยังจะแทงรั่วไปนิดยุกเรื่องนั้นตายเห็นรั่มันจะยุกหได้ยินเสียง ม, มันจะยุกนะในนิพพานมันจะยุกมันยุกทุกเรื่องยุกให้เราคิดไปทางนั้นยุกให้เราคิดไปทางนี้น ไอ้ใจราจะโม่งวันปฏิบัติตรงไปตรงมาอยากให้ใจของเราถึงมา่งถึงผลเนี่ยมันก็ทำไมแตกแตกกาลังออกไปกาลังใจออกแล้วเราก็ต้องเล่นร่อไม่ถึงจุดหมายปลายทางใต้ไขเข้ามาตกปัน่นยังไงเอา่ไมเอาทุกทีใช่ไ อ, อย่างนั้นเลยเออถึงจะสำหรนะ อ่ากนะ็จะไปตอนหนึงนะจะไปตอนครั้นี้มาตอนที่ท่านสามารถยึดกลับมาเป็นของคนไทยกู้อิสรภาพได้แล้วใจของท่านเวลานั้นก็หนักไปอีกแบบเหมือนเขาถูกทุกสิ่ทงทุกอย่างจ้เริอนต้นนับหนึ่งใหม่ไอ้จุติยาไม่สามารถจะเป็นเมืองหลวงได้แล้ว ก็จะมาหาทำเลก็อาศัยฝัง่งทนเอากรุงธนบุรีมาเป็นเมืองหลวงและการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นมาเงินเนี่ยมันใช้มากไหมมากมหาศาลนะพองได้เป็นกำปั่นกาปั่นใหญ่ๆขนมาเป็นเรือจำเขาได้เป็นลำๆใช้ไ่นานก็หมดใช้ไ่นานก็หมดคนเข้ากองครังในครังหลวงครังหลวงก็ต้องยัาไง มันไม่มีเนี่ยผลิตผลจะไปขายใครให้ได้เงินกลับมามันเธอมีเงินแล้วก็เธอก็ลงทุนลงไปลงทุนอย่างเดียวอ่ะจะขายไม่ได้อ่ะวัตถุของเธอยังไม่สามารถไปขายเอ า, เอากาไรกลับมาเป็นผลได้อีกเธอต้อก็รต้องกูก้กหรอไหมกู้อีกกู้ไปไเรื่อยๆกู้นานๆเข้าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะจะบอกว่าถ้าจะลบละลายแล้วนะเออว่าเจ้านี่เขาเริมหันมาทวงนะจะทํำยังไง นี่เป็นภาระที่ท่านต้องทําตั้งแต่สงครามมันเริ่มคลายตัวลงไปแต่ไม่ใช่ว่าพวกนั้นมันจะยุตินะมันก็ยังไม่ยุติการรบก็ยังมีอยู่การก็ต้องตีวงกว้างออกไปกว้างออกไปใช่ไหมไม่ใช่แค่อยุชยาก็ต้องตีขยายออกไปขยายออกไปผู้ที่มีหน้าที่จะเป็นรบก็ไปรบท่านมีหน้าที่ท่านก็ต้องบัญชาการบรบบัญชาการคลองคังบัญชาการทุกทสิ่งทุกอย่างในการปกครอง จากทุกสิงเลยยมกระทั่งเรื่องของสงฆ์วัดสมองท่านี่ยในความใจเนี่ยมันต้องมอได้ต้องหมดอย่างความความจะต้องทําอะไรน้ําน้ำประกายเป็นน้าใจของท่านที่มีกับพระศาสนาเนี่ยกับความเคารพจรในพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์เนี่ยสูงมากใช่ไหมสูงมากนะต้องคนกับคนต้องคนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรือกําปั้นที่มาสุกจมอยู่ในอ่าวไท ย, ยหลายลํา ไอ้นายโจรสลับไม่ใช่ใครหรอกก็ต้องทําทุกวิธีทางเห็นไหมเอ้ทุกวิธีทางไม่เป็นไม่เป็นโจรก็ต้องเป็นโจรวิธีการใดที่มันเป็นที่ทอบทอบทํำเลยก็ยังต้องทำทั้งถ้าเป็นเรื่องทน้าละอายก็ต้องทำเอ้หนีหนี่กันหน้าดการก็ต้องทำ เหรอเอาไหมามาใจดวงหนึงน่งเนี่ยเธอคิดว่าถ้ากำลังใจท่านมาหนักแน่นเนี่ยจะรับรองไหวไหมอ่จะรับรองเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับที่ทิศสั้นต้องการให้ภาษาศานาตั้งอยู่ในสมถาวรตลอดมาจงปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นวันนั้นจนถึงป่าท่าอีกห้าพันปีจะไม่มีวันที่ภาษาศาสนานี้เสื่อมลงไปอีกเลย ตั้งแต่วันที่พระเจ้าตากกู้ขึ้นมาแล้วเมื่อเริ่มแผ่นดินตกมาเป็นของสยามเหมือนเดิมทุกอย่างเรก่มบูรณะเริ่มตั้งแต่วัดมาอารามตัเริ่มทําพระไตรปิฎกทำอะไรทางาๆนานาในสมัยท่านแล้วก็มีผู้ช่วยที่แสนดีของท่านมากเลยที่คอยช่วยเป็นกําลังเรือเป็ น, ลออปนหลักใช่ไหมเพื่อเส็จของพระเจ้าตากใช่ไหมเออพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกันนะ อาจาล่ะเรื่องขององค์ท่านยังไม่พูดเ อ, เอาไว้คับหนะ้าไว้ก่อนอพูดเรื่องของพาะเจ้าจักรนี่กําลังใจที่ท่านต้องทำอย่างนี้ก็เหมือนกับเราเองในการปฏิบัตินี่แหละเวาจะ ร, รู้สึกว่าเราเนี่ยเริ่มมั่นคงในสมาธิแล้วเริ่มที่จะสามารถทําให้ใจของเราตั้งหน้าตั้งใาเห็นทางเดินแล้ว แต่มันก็จะมีมากมายที่ต้องคอยสรุบปรุงจิตใจของเราให้มีกําลังพร้อมถูกไห ม, ไมใจเราเพแค่สมาธิพร้อมด้วยความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วสิ่งนี้มีพร้อมหกับเราแล้วแต่เราจะทํายังไงให้สิ่งนี้มันมีามันทำให้เราเนี่ยมั่นคงและก็ดำรงอยู่ได้ท่านก็เหมือนกัน เพียงแค่าสิ่งต่างๆแค่จะเริ่มมีความพร้อมมาถึว่าตัดเนี่ยไปเอามาได้กู้ได้เขาให้เท่าไรเขาก็าาให้คนจีนใจดีคิไวไปจะดีมันมีดอกอ่ะ<ม>อ่าเท่าไรถ้าเอาเดอกแพงเท่าไรก็โอเคเอ า, าเลยขอให้เอาเงนไปได้ก็แล้กันใช่ไหมอ่าแพงนั่นนะก็จมแมงซะเลย<ม>อ่าเปล่าอ่ะอาวไทยจมเลยมจมเรียนแล้วไปเอาทองมา เออมันจอสลับไปสินะปัจจุบันเลยจะ น, นี่คนเชีเยอะเลยไทย <laughs> ไอ้นี่เขาไอ้นี่เข า, เขาแต่มันก็คุ้มไหมคุ้มค่าเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์เพื่อตัวเราแต่นมันเป็นประโยชน์กับภาษาศสนากับที่มีค่าสมบูชีเรารักแลวหวงแหน ไม่ใช่ตีประโยชน์แค่เราจะมันมีประโยชน์กับคนอีกมากมายที่จะต้องตามมาอยาเยอะแยะนับไม่ทวนและกําลังใจเราทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าทาเพื่อพระราชกรณ์ที่เลยเป็นเชียร์ลที่เคารพยิ่งของเราเท่าที่ถ้าสิ่งเนี้ยมันไปอยู่ในใจิตใจของเราอย่างไม่ีความว่าเสืี่อมไปเลยเราต้องฟังปากกับอุปสรรคมากมายไหมมาก พมันจะคอยมีเครื่องมายุแยังจะแทไใจเราตลอดเวลานะเรื่องนั้นบันทอนเรื่องนี้บันทอนจะเดี๋ยวใจดีกายมันก็ร่อเพอกายโปรอดีใจมันก็ร่รร อ, อรหาเรื่องเราเห็นไหมถ้าเราคิดว่ามันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วไปดีกว่าเสร็จอย่างนี้ไม่สามารถแล้วนับผล เป็นเรื่องที่ยากเกินไปแต่เราก็ต้องมีกําลังใจไม่ว่าจะล้มลุกคลั่งแค่ไหนอย่าใช้คําว่าเลิกอย่าหยุดนะอย่าหยุดทัวมาต่อไปวันนี้แพ้แพ้ไปวันหน้ามีวันหน้าเรายังวันหน้ายังแพ้อีกวันหน้าอีกคก็ยังเห็นแต่โดที่ใจของเราไม่เลิกความเรื่องมโนปติการขอใจเราแน่วแน่ฉันจะต้องทําให้สาเร็จ จะต้องใจที่ผ่านชาตินี้ให้ได้แต่ต้องจก็บเกี่ยวจากศาสนาให้ได้มันสําคัญไหมมันสําคัญกับตัวเราถ้ากําลังใจตรงนี้ของเธอมันคอนแคลนไปแล้วเนี่ยต่อให้มีความทั้งพร้อมสมบูรณ์ยังไงหนุนเธอเกียงใดมันก็ช่วยเธอไม่ได้นั้นกําลังใจสําคัญที่สุดนะที่สุดใ น, นเรื่องของท่านขอหลวงพ่อตาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีใ น, นเรื่องของกําลังใจอย่างไม้ว่าท่านจะทําเนี่ย ไม่ได้เลือกมัดเรื่อกอผลก็ตามแต่นั่นคือมัดผลที่ท่านได้นะเพราะคนที่มีกําลังใจทำอะไรเด็ดเดี่ยวแน่แน่เป็นอารมณ์เดียวเวลาตัดสินใจสิ่งใดมันตัดสินใจขาดละละง่ายวางวางง่ายเพราะมีอารมณ์เดียวแต่ถ้าคนมันคิดไม่ง่ได้ขนาดนั้นมันเวลาละอะไรมันก็จะมีเงื่อนไขเรื่องนั้นเหตุผลเรื่องนี้นะมันคอยจะมาพยุงให้มีเหตุมีผล จะดสิงใจพลังเลลังเลจะเอาดีไม่เอาดีเป็อะไรงานไปอันนี้อารมณ์ใจมันไม่หนึ่งไม่เป็นอารมณ์เด็กทนี้ในช่วงช่วงที่า ต, ต้องเผชิญกับเรื่องราวเยอะแยนะในเวลาเดยกันที่ดิ้นรนหนันะ้หนักก็คือว่าจะได้พวงพวงแล้วถึงเวลาก็กพวงแล้วนะแต่ช่วงเวลานั้นประมาณน่าจะสองปีสามปีสองปีสามปีนะก็ยังยังได้รับเงินกู้มาก่อนนะ พอสี่ห้าปีช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขาเริ่มที่จะทวงเพรามันเริ่มหมดสัญญาแล้วแต่จาไม่ได้ว่าสัญญาเขาเขียนว่า ก, ก, ก, ากู้มาสี่ปีอ่าน่าจะสักสามปีนะเป็นอย่างน้อยระเบียบการกู้เงินจีนนะแต่ถ้าจำไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ดูสัญญาไปดูก็ทำเป็ น, นดูเรื่องเนระ็วๆเออ นี่กเรื่องบิดขั้มที่ท่านต้องคิดอีกเยอะว่าถ้าเขามาทวงเงินเราไ ม, เาไม่เราไม่สามารถเอาเงินที่ยังประโยชน์กับคนของเราเนี่ยเอากลับไปให้เขาได้เพราะคนของเรายัางต้องใช้เงินท ห, หารต้องกินใช่ไหมบ้านเมืองต้องบูรณะวัดวาอารามต้องบูรณะเป็นต่างๆต้พยายามทำให้มันขึ้นมาให้ได้ไม่เช่นนั้นก็จะเอาอะไรมาหล่อเลี้ยงชีวิตของคนที่อยู่ในเวลานั้นไหนกองทัพมันต้องยกทัพกันทุกวัน อาวุธก็ต้องซื้อจริงๆกลางลก็คงต้องคอยมาจับจ่ายใช้สอยมาใจาระอันใหญ่หลวงมากเลยใช่ไหมเด็กคนคนเดียวต้องนั่งคิดด้วยความสงบเพราะจ้าจตากท่านมีดีอยู่อย่างสมาธิติดของท่านเวลาปักนิ่งนะคือนิ่งเ็นสมาธิได้อย่างเยี่ยมมากเลยตามเด็ดเดี่ยวของท่านนะทุกครั้งที่ท่านจะคิดอะไรท่านท่านจะไปห้องพระ เรีนผ้าท่องพระของท่านแล้วท่านจะเป็นกราบไหว้พระได้สามครรพสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็ตั้งจิตนั่นเป็นสมาธิลงไปท่านจะถอดเครื่องตรงทุกอย่างเอาหมดเหมนปกติธรรมดาทกเขานะอ่าผ้ามีอะไรผ้าบาท่านก็จะนั่งทาสมาธิของท่านเพราะท่านนั้งสมาธิของท่านตับท่านก็จะเริ่มสงบลงไปจนสงบนาหนักเข้านักข่าอารมณ์ออมาท่านจะคิด คิดไปต้องทําอะไรต้องทําอะไระเรื่อมต่างๆถ้าไม่ได้คิดเองเพียงแต่ลองพังผู้เดียวเนาะบางเรื่องเทวดาท่านกระดนใจให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้ตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วจริงๆเท่รู้กันมาว่าท่านตัดสินใจที่จะทําอย่างนี้ตรงหน้าเจอซือนะเอ่อเราหน้าเจอซื่ อ, อ, อ, อ, อถ้าเรา เป็นคนที่ตายไปแล้วเขาก็ไม่สามารถจะไปเอาทรัพย์สินกับคืนไปได้ถูกไหมจะไปโวยเอาอะไรคอะคนทํญญ า, าสัญญาตายและคนทําสัญญาก็ไม่ไม่ได้เั็ญากิแอีกคนหนึ่งนะถ้าท่านตายแล้วลูกขึ้นขอบบาลางังลูกก็ต้องรับภาระต่อไปดัง ญ, ญาตของท่านทั้งหมดก็คือต้องล้มละลายหมดไปได้วยกันไม่ใช่แค่ท่านองค์เดียว แตาไม่ได้เดือดร้อนแค่คนเดียวนะแต่การตัดสินใจของท่านมั น, ม, นมันเพื่อประเทศชาติเพื่อพระศาสนาใช่ไหมแต่คนที่อยู่ร่ว ม, ร, วมร่วมเพียงหมอนท่านคือภรรยาเอ่ยลูกเอ่ยญาติเอ่ ย, อ ย, ย, อยทุกค น, นะค น, เ, กน เ, กเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวนั่อกับท่านคนเหล่าเนี้ยจะต้องสูญสลายไปด้วยจะตายไปด้วยเหมืออนนกันดดดร้วยถึงไม่ตายก็ต้องเดือดร้อนถูกไหมเดือดร้อนเพราะการยึ ด, ดเพื่อเปลี่ ย, เ ย, เยกก น, นเลยเปลี่ยนกระตับเลย เึ้นความบาลังที่เขาจะประสาทสัปหลักของราชาสับว่าอะไรไม่ทราบไม่ทราบนะ่แบบรรนนปราบยาพิเศษเลยปราบจ้ะแล้วขึ้นคลองรากใหม่ไม่มีเชือกวงเกี่ยวเนื่องด้วยและคนที่จะทําได้ก็คือองค์เดียวเจ้าพญักระสัตสิใช่ไหมสมัยนั้นนะองค์เดียวเท่านั้นและคนตืดตื่นที่เป็นเพื่อนร่วมรบนะไม่รู้เรื่องพยาพิชยัย ที่รู้มีรู้อีกคนก็เป็นกรมพยาบรลวางหน้ารู้เท่า น, นั้นไม่รู้เรื่องแล้วคนไม่รู้เรื่องเนี่ยมันหนักใจขำหรับเจ้พยาการตัดติดเหมือนกันนะอ่าใช่ไหมไอ้นี่มันเพื่อนคาดเพื่อนไ้มโอ้โหนี่คนอื่นในมอญบาคนละเรื่องเลยนะตามดีไม่จะพูดนะ เออมีแต่เรื่องไม่ดีเนะี่ยให้เลยถูกเพ้งโทษถูกด่าถูกว่าถุกตำหมิจีเซียนสารพัดว่าตัางไปแม้แต่พระ อ, องค์เองก็ต้องทำเป็นคนไร้สติมันเป็นที่องี่เดียวต้องทำแบบนี้ต้องใหเ้เหมือนพระ อ, องค์มีความเพราะว่าทุกการพระเนี่ยพรจะต้องเข้ามาเทศให้พระ อ, องค์ฟังนะในในวันก็จะมีพระ พุทธโฆษ า, าจารย์สมัยนั้นนะคืเป็นพออาระอ ร, ราาหันต์เป็นสัมพิชาอย่างแล้วก็จะเข้ามาแสดงครับแล้วก็มีการสังขยานาข้าใจกระจกสมัยนั้นเข้าใจไมสมัยนั้นแล้วก็มีเขาเรียกอะไรหนังสือข้าใจกระจกมีทำสมัยนั้นมีสองเล่มที่เป็นต้นต้นฉบับเล่มหนึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่ อ, อ, อะไรพิพิธภัณฑ์ของเยอรมัน เล่หนึ่งอีกเล่นหนึ่งคือสยามรัฐจักรสยามรัฐที่มามาเขียนมาทําอีกทีตอนสมัยราชการที่ห้านั่นไงนั้นสมัยของพระองค์เน่ยหนึ่งที่มีความสําคัญคือการสังคายนาเข้าใจประโยคเรียกเรียงคําต่างๆของผู้พุทธเจ้าใหม่ให้เป็นหมวเป็นหูใหม่าํรวมพระศาสนาพระสองค์พระเจ้าทั้งหลายให้มีการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ส้างสาววัตถุขึ้นมาสาววัตถุขึ้นมาให้มีวัดว า, ารามคนจะได้มีที่พึ่งพระจะได้มีที่บวชใช่ไหมคนบวชจะมีมีมีบวชและสลับบวชก็สมบทคนทุกคนก็ได้มีโอกาสได้ทาบุญทำทานเช่งกันแล้วกันในแต่ละด้านเนี่ยทรัพยก็ยังน้อยอืาการหาทรัพย์ขโมยก็ยังเยอะการปราบปรามคนขมโมยก็ดีมันก็เป็นเรื่องที่เป็นภาร ะ, ะอย่างหนึ่งทรัพยก็ยังน้อยมันทําได้ไหลาเรื่องในเวลาเดียวกันฮะนไม่ใช่หมูหมูเลยนะ กำลังใจนี้ถ้าไม่ไม่เต็มร้อยจริงๆเนยากที่สุดนะที่ทาเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้งนั้นท่านต้องใช้กำลังใจของท่านเองกำลังใจของเพื่อนของท่านหลายๆคนช่วยๆกันจะไปเจอเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินใจว่าจะต้องทาวิธีแบบนี้อุบายวิธีของท่านคนอื่นรู้ไม่ได้คนรู้ก็มีแค่คนเดียวพญามาคัดเต็กใช่ไ จะพยายามห า, ากานตัดองเดียวเท่านั้นที่ต้องเข้าไปรู้แล้วถ้าหาบอกใครด้วยแต่ตอนหลังเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เชื่อที่มิ้งได้ฟังหลวงพ่อท่านเล่าฟังใช่ไหมนี่ตอมเกิดอะไรขึ้นท่านก็เอานักโทษมาแต่งโคล น, นผมก็นะผมผ้าดีวานเหมือนพรแล้วก็เอาไปทุบ ป, ปิดตีไปลงโทษกรแบบผิดก็ทำที่ไหนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ลงไปกลายว่าท่านเคียนและ เพราะว่าท่านวงอภัพช์มากสมัยนั้นนะท่านเห็นพระเป็นเรื่องสําคัญนะในการบริหารประเทศทั้งหมดพระอันดับหนึ่งะที่ท่านมองเรื่องอื่นรองนะแต่เรื่องพระเป็เรื่องใหญ่เลยนะท่านในความคุ้มค่าเรื่องนี้สูงดังนันการที่ท่านจะถูกจให้เขากล่าวโทษว่าท่านเป็นผู้ที่เสียสติไปแล้วที่คนกระดิกไปแล้วเรื่องของพระเป็นของง่ายเพราะประเห็นภ า, ภาพของท่านเนี่ยเป็นพุทธมาม ก, กัณ เป็นคู่เป็นโยมอุปะตักพุทธศาสนาพนุบาลลงภุทศาสนาอย่างเต็มที่นั้นถ้าท่านทาอะไรเกี่ยวกับศาสนาโอกาสที่คนจะมองว่าเป็นไปได้มันสูงแล้วถ้าไปเทียงเรื่องอื่นใครให้เชื่อเห็นไะเพราะท่านเป็นธรรมจาติ์คนทำธรรมารยที่มามากโอกาสที่ผมบอกเที่ยงเนี่ยมันง่ายไหมง่ายมันขอไม่ยากนั่นคืออุบายวิธีของท่านนี่ยมันเหมาะลงล็อกดีแล้วนะ ถ้าท่านจะทำลักษณะแบบเหมือนคนเคี้ยนจากการที่บ้ากรรมาฐานนะกรรมาฐานแตกโบราณเขาวางนนะกรรมาฐานแตกเคี้ยนไปแล้วสุดท้ายก็ทำอย่างที่ว่าท่อเอาพระองค์คนอื่นนะดีด้พรจักแต่พระองค์นะ่กับลูกชายกับผู้ที่จงรักภักดีจิดตามท่านเปนตกลงทางใต้ นต่นจะเปเวลาที่ใช้กําลังใจท่านกำลังใจตอนนั้นท่านรู้สึกามีความสุขมากแปลกไหมคนเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเสีดายยศถาบรรดาศักดิลาบยกนะอความมีเกียทรติยศทุกอย่างที่ท่านเคยมีท่านรู้สึกว่าทั้งหมดมันจบขึ้นแล้วจบภาระของท่านแล้ว เหมือนท่านได้ตายจากความเตือนรถไฟแล้วความสุขคตามปิติยินดีของท่านตอนนั้นนํามีมากที่สุดตอนที่เขาทุบท้อจากรไอั์โซแตกพันเรียบร้อยแล้วแล้วเอาท่าน้ก้าวเท้าออกจากเมืองมันเป็นเวลาท่านชุ่มชื่นใจและดีใจที่สุด ใ, ในชีวิตเหมือนก็บสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นประเตรมี ไปก้าวเท้าออกจากเมืองแล้วโอโหความปิติ ช, ชื่นใจคนแล้วนรกไม่ต้อเป็นกรรตัดแะท่านคิดว่าท่านได้ใช้กําลังใจเลยตามตั้งใจของท่านที่ทุ่มเท ล, ลงไปให้พระพุทศาสนาเต็มที่แล้วจนไม่มีอะไรค้าใจท่านแล้วและภาระท่านไายได้ตกข้อจากบวกคลที่ควรจะรับผิดชอบต่อไปคือเจ้าประยาพระจักริกนะรับภาระต่อไป นั่นเวลาท่านออกก้าวเท้าออกจากวังท่านจริอยลอยยิ้มแล้วปับของใสที่ไม่เคยเห็นท่นานตั้งแต่ตั้งแต่เห็นหน้าท่านครั้งแรกกลับมาเห็นหน้าท่านครั้งที่ท่านก้าวเท้าออกจากเมืองมาด้วยกันตัวเป็นคนละคนเลยนะพระพัดท่านเนี่ยอิ่มผองใสมันก็ไม่มีปากนมันจะลูก ลูกจะแตแกแยกกันไปอยึงตรงไหนก็ตามใครจะไปที่ไหนก็ตามใฮ้ก็ไม่มีความห่วงกังวลอะไรเลยนะแต่ทุกคนที่เอ่ยถึงเน่ยในภาพพานัากประถุกฆ่าตายหมดที่เป็นลูกของพระเจ้าตักเสื้อตายพระวงศ์อนไถูกจังกัดหมด น, นะหลาบเลยนะหาดที่เจ็ดเจ็ดนี่ไ้มเจ็ด่โคตรหมดเลยไม่มีเหลือคนล่านั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนช่เปลี่ยนามสกุเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนหมดเลยนะ เหตุและเหตุมันในรหน้าไปหมดเลยจะต้องยอมรับชะตากรรมเพื่อประเทศชาติคนเข้าใจท่านก็มีคนไม่เข้าใจท่านก็คิดว่าท่านอนะ่ะเป็นเมียที่คนเขาเห็นกันแล้วคนที่เป็นลูกเป็นหลานตอนนั้นก็พาจะ่งผิดเพี้ยนท่านเพ่งโทษโจทย์ท่านเอาหาทำให้ท่านนะ่ะเป็นทำให้พวกเขาเดือดร้อนนี่รักกันจริงไหมอ่ารักกันแบบนี้ตามที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่เข้าใจว่าท่านทำอะไรนก็เป็นเรื่องไม่แปลกถ้ับคนที่ปราศสนาความตกนะเกลียดความทุกข์เมื่อตัวเองก็ต้องผูกในความทุกข์นี่มันม า, ม า, ม, า, ม, ามาหาแล้วเนี่ยนะความสูญเสียในราบเยอะความทุกขทั้งหลายมาลายสิ้นแล้วถูกเขาตัดสิ น, นะนแล้วให้คนในเหตุในเนนในกระเทศเออกไปก็ไปอยู่โน่นบ้างต้บ้างใช่ไหไปย่นปงนละทิตคนละางลูกชาท่าน แต่เธอทักเองกับทหารคนสน่ทและเพื่อนสนิตจะไปไกันไปตงสั้นก็บ ง, นงนหน้าลงใตจ้จนเมื่งที่มาผ่านแล้วก็พักนานหน่อยก็เจอที่เอ อ, ม อ, อมสมุดตรงคราล้ว่สมุดตาครวัดบางกุ้งสมุทระไรบางกุ้งอยู่ไหนตรงคราบะใครรู้ว่าไห ม, ไหไหมจำไม่ได้ มันก็จำไม่ได้ตรงครามนะถ้าผิดถูกก็ไปดูหนังสือเอาแล้วกันนะตัวนี้แช่งมาเลยนะไม่เอาตรงนี้ผิดถูกนะเอาสาระประโยชน์ให้ทําก็แล้วกันว่าถ้าไะอยู่ที่นั่นถนะ้ามีความสุขแล้วก็ค่อยไบวชไปบวชที่นั่นบวชมหาอุตรเล็กๆที่อย่างนี้ยจะม่ต้องโพลุออ่มใหญ่ นนถ้ามัน ม, มีอะไรผิดจากความเป็นจริงก็เป็นที่อุปตสมบทของหลวงพ่อตาตเพราะว่าถ้ามาอย่างไปไปอย่างเนี้ยมันโอกาสที่ความหลงหลงต่อนซ่อนมนันสูงจะถ้าบทเป็นพระซะแล้วเนี้ยเดินขามันง่ายใช่นไหมละ่ะมืนพุดง ถ้าน์โด่งไปแล้วคนติดตามท่านจะมีไม่มากคนนะก็จริงแต่ทุกคนนะ่ะเป็นผู้ที่รักแล้วก็เพื่อพูดบูชาในความดีของท่านม า, ากแต่ทุกคนไม่มีใครเลยเคียดใจกับสิ่งที่ท่านเป็นอย่างนั้นทุกคนคอยยินดีคอยดีใจกับความสุขของท่านไปด้วยนะที่ท่านนะ่ะตัดสินใจกระทํำสิ่งนั้นทิงไว้จะเป็นสิ่งที่คนไทยนอนกบอกว่าเป็นการสูญเสียอย่างมาหาศาล แต่ท่านกับไม่เห็นคุณค่าอะไรเลยในทัพย์สินชื่อเสียงเงินทองเป็นข อ, อ, ขอไร้ข้าวมากกับความที่ท่านมีพระราชนาฏในหัวจิตหัวใจแล้วท่านสามารถจะทําให้คันดินเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งพระศาสนาตรงตัวได้ต่อไปอย่างใดที่ท่านได้เลึกดเลือถึงสิ่งนี้คราใดความชุ่มชื่นใจมันเกิดขึ้นมามันทาให้ปิติเกิดสมาธิเกิดความชุ่มชื่นใจมันเกิดเวลาท่านปฏิบัติจะบรรลุสมาธิท่านจะไม่ต้องคิดอะไรมากเลย ยามใดเพียงได้ริษถึงเรื่องราวที่ท่านได้กระทามาแล้วจตามอินใจว่าท่านได้กระทําให้สิ่งนี้ปรากฏแล้วยังให้สติสัมปชัญญะริษกําลังมสมาธิสงบเกิดอย่างรวดเร็วอันนี้จำไว้นะมันเป็นเรื่องสําคัญเนระาจะปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มาดึงใจของเราไม่ว่าจะอยู่ในภาวะที่ยแย่เยทียนใดร่างกายเรามันจะรววเอาแค่ไหนก็ตามนะ มันจะมีเรื่องกระทบใจเราเยอะแยะสิงมากมายแค่ไหนก็ตามมันก็ต้องมีอะไรที่ดึงหล่อเลี้ยงใจเราให้มีความซุ่มชื่นใจเกิดกําลังขึ้นมาิีติให้ได้ก็เมือที่เราเคยเล่าเรื่องของพระเจ้าพิชิตศัตรูให้ฟังอย่านั้นถึงแม้ท่านจะอยู่ในคุกนะเ อ, อถูกลุกทรบานอย่างหนาแน่นท่านก็ยัมีความซุ่มชื่นใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ฉันไดพระสันนั้นตำแหน่นพระเจ้าป่าท่านก็มีของท่าน ท่านจึงมีความเอ็นใจและสุขใจเสมอขึ้นถ้ำถ้ำหนึ่งแล้ว ท, ที่ที่วัดอะไรชื่อว่าผมนึกจำไม่ได้นะอันนั้นนะผม <S <S อันนแ้ละทนเคยไปไปแล้วถ้ำข้างในมันติดเคยเป็นมุดสคนกับน้องพี่เล็กใครด้วยกันกับพี่สายแล้วพี่ไปไหมอ่าไปที่นี่กกับ แล้วก็ไปลงใต้ทีน่นครศรีธรรมราชและถ้าไปแวะวัดเนี้ยอวัดเนี้ยแล้วก็ท่านเนี้ ย, นนย า, าไม่มีคนเข้าหรอกจริงเขาบอกมข้าขงบนแต่ท่านบอกไม่ได้ข้างบนข้างล่างเข้าไปข้างล่างข้างล่างก็จะมีช่องไม่ใหญ่นะครับว่าเข็มศูนย์ปิดเอาไว้แต่ถ้าเข้าไปลึกข้างในมันจะเป็นท่านกว้างใหญ่เอ่อมีแสงะว่างจากข้างบนลงมาข้างในไม่อับแท่างก็อยู่จนถึงวรณภาพ ที่ น, น, น่นเรื่องของหลวงพ่อตาเนี่ยเป็นหนึ่งที่เธอได้ชินได้ฟังา ม, มามากแล้วแต่ฉจะเน้นลงไปก็เน้นเรื่องของกําลังใจนะกําลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคที่เราต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อเอาชนะ ก, กิเลสปัญหาของเราเนี่ยที่มันจะยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนก็ตามสิมันจะมีสิ่งนานาประการที่คอยขัดถ่วงดึงใจเรา น้อมใจเราออกไปเหมือนถูกเขายุเย็นแต่แข็งร่วนเนี้ยตลอดเป็นหลักนักธรรเราจะต้องเป็นผู้ที่หนักแน่นในมโนปิธานิปาเจตนาก็เรียกว่าอธิษฐานบา ร, รมีจัดจ่ายคือความจริงใจที่จะต้องทําให้เกิดผลจะมาอ้าท้ายคือความตั้งจ็ตแนวแนะ่ว่าสิ่งที่ตนเองปาจนาคือสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นได้มาเราตั้งใจว่าจะไป น, นิพานชาตินี้สิ่งอื่นมันต้องไม่มีความหมาย แต่แน่นอนเวลาเราก้าวเท้าเดินแต่ละก้าวมันย่อมถูกสิ่งที่คอยขัดขวางเราเนี่ยมากมายปเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าจะเห็นสิ่นี้มีสาระัระมีความหมายและนิพพานที่เธอหวังไว้น่ะสวยหรูขนาดนั้นนะเธอจะเอาสองอย่างมาแลกกันไหมเออระหว่างข้างห น, นึ่งคือนิพพานอีกข้างหนึ่งคือนรกเนะแล้วเวลามาเจอเจ อ, อสิ่งที่ขัดขวางเธอเธอก็อไม่ตายแล้วกลับมนานรก อุตัา่าหลกี่กว่ายอย่างนั้นไหมไปลแล้วในของนิทารเฮ้ยพอเข้าใจไหมก้ะสือว่าความรู้ทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังมาก็เป็นของเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้เจือเชือธุลีในตาเป็นจริงที่ท่านเป็นอยู่หรอกนะมันมากกว่านี้เยอะไอ้ที่พูดก็พูดคร่าวๆ แต่ปูกันทั้งเลื่อยๆไปวันสองวันก็คงไม่จบเรื่องท่านเออแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเอามาคิดให้คนกันนักหนาน ะ, ะเอาเฉพาะว่านี่คือท่านบุคคลตัวอย่างที่ท่านมีกำลังใจหนักแน่นในพระัฒนตรัยเห็นพัฒนตรัยเป็นสิ่งที่มีความสาคัญที่สุดในชีวิตมากกว่าสิ่งอื่นมากกว่าทรัพย์มากวามากว่าชีวิตมากกว่าบุคคลที่เป็นเจระ มากกว่าสิ่งทุกเรื่องทุกราวที่ท่านมีอยและสิ่งที่ท่านทําลงไปไม่ได้ทำเพราะเพียงว่าท่านได้แต่มันยังประโยชน์เราจริงๆเรื่องนี้เห็นไหมเนี่ยต่อไปเนี่ยเรื่อยๆไปพระศาสนา จ, จะไม่อีว่าลงเลยจนไปถึงน่นน่น 4,500 ปีนึง ท, ท่านจะค่อยสาตัวลงไปสาตัวลงไปอีกครับจนหมดทผ่นดินแผ่นเนี้ยที่ได้ใช้ชีวิตกันอย่างสาหักสกันในยุคนั้น ยุคล่างๆที่มีการปฏิวัติจะมากเลยจะมากมันยังไม่เท่าไหร่หรอกแม้แต่สมรภูมิมาการที่ห้าจึงจะมีฝลั่งเศสบ้างโปรตุเกสบ้าง น, นี้นะอา่าพวกนี้คอยจะมาแต่ก็นั่นยังไม่ ไ, ไม่ได้ใช้กําลังใจมากนะมันเป็นเพียงแค่เราสามารถจะหาอุบายวิธีที่จะดลบเลี่ยงให้เรารักษาสมบัติของแผ่นดินนี้ได้ด้วยการเกริเด็นสมรภูมิใหม่ๆก็ได้การปูุกก็ได้ถูกไหมหรือว่ายกสิ่งนั้นให้เขาเป็นการตอบแทนก็ได้ ไอ้นี้มันทําอย่างนี้ไม่ยากไม่ต้ใช้ใจมากแต่ยุบจมัยที่อยุบสยามล่มจะลายเนี่ยมันใช้กาลังใจมากเพราะนันคนพานเขากะเอาชนิดที่เรียกว่าไม่ฟื้นขึ้ น, ค, นคืนที่อีกเลยนะแทนนี้คืนนี้มาแล้วลบประเทศไทยออกไปได้เลยจะไม่มีประเทศสยามอีกต่อไปมีแต่พฐ์ของพระบ้าอย่างเดียวที่อนาบริเวณกว้างออกไปขนาดนี้นี่คือความคิดของคนพาน ที่เขาคิดในตอนนั้นนั่นคือว่าปราณีในการที่เขาจะมาปราณีกับกฏไถ่กันนั้นไม่มีไม่มีทางนั้นปลาไปให้คนเหล่าเล่านี้มันครอบครองอยู่นานวันเท่าไหร่ความเดือดร้อนของคนที่อยู่ในนับเวลานั้นก็ต้องนานดังนั้นจึงมานั่นการเด็ดเดี่ยวเราต้องทําให้มันถึงที่สุดจะเป็นการโกงอิจฉาภาพที่ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่มีทำไม อุท ย, ยาเขียกงครั้งแรกนั้ น, นานนะกว่าจะกู้ได้กี่ปีสองปีสามปีได้มั้งหลายปีเหมือนกันนะป่าพระเจ้าหลายปีนะสิบกปีสิบสองปีได้สิบก ป, ป, ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปีป่าพันทะเลสวนจะตัตเราคิดดูต่อหน้านะั้นพันทะเลสวนยังเล็กๆอยู่เลยตั้งไหนาปีกันก็ อ, อยู่ได้เพราะเพราะว่ามันเป็นกําลังใจของคนสองคน ระหว่างพระเจ้าบุเรนนองกับพระมหาธรรมบาราชช่วยกันพยุงพระศาสนาเอาไว้สองฝ่ายถ้าท่านบุท่านบุเรนนองไม่เอื้อไปอุปบาติอยู่ที่นั่นเผื่อแต่เด่นเผื่อ น, นี้อาจจะถูกยับย่อยย่ยีถูกย่ำยีจากคนผ่านมากกานก็ได้ท่านมาขัดตาทับเอาไว้เพื่อให้พระศาสนาพุทธไม่ถูกการทำลาย และไปได้ท่านมหาธรรมราชาช่วยเอาไว้ช่วยทุกปีทุกทอย่างมันดาเนินไปอย่างคงกระรักตาแผ่นดินนี้เอาไว้ได้งกงศรีอุทยาเลยไม่ถูกทําลายสมัยมันไม่ั้นไม่เหลือสร้างไม่เหลือสร้างและไอคนปกครองต่มานั้นมันเลวสุดสุดเนี่ยสุดสุมันก็เหมือนสมัยครั้งที่ครั้งที่สอยนะเหมือนการคล้ายกันปวดเจ่งอวดดีนะจะโง่ เนี่ยโ่โมหะจริตเอออาไรนี่แก่้อไปแก่ในอวดแก่ยังนะรู้ก็ไปรู้มาัวรู้อีกนะฮะอ่าแล้วก็ทำอะไรก็โง่อย่างนั้นแล้วก็เขาใครทาอะไรน่ะเขาไปว่าเขาเ็นเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองไม่ทำอะไรไม่คิดจะทำอะไรให้มันดีขึ้นมาปล่อยตาดันเลยให้คนอื่นทาแทนแลวเอาเอาไอ้พวกหมาหมามาทาเนี่ยปกครองคอยจัดการทำนวดทำนี่แทนอ่งตัวเองก็กองมาเลนะ กินเล่าเขานาลีเขาว่าไปแล้วมันสมควรไหมนะตอนนี้นอากาศฉันก็ได้ <c oughs> อยู่ไหนเราไม่รู้แค่ <c oughs> นี้แหละฟังเอาไว้ก็พิจรารณากันไปนะ เ, เวลาก็เรื่อยมาพอสมควรละอบเรื่ <c oughs> รมันยาวหน่อยนั่งไม่กับแมไม่ห่วงนะ จะเอาไว้พิจารณาอย่างน้อยก็เตือนสติตัวเราว่าท่านยังทำได้เิีงแค่เรื่องแบบนี้เราปฏิบัติถึงเวลาเราปฏิบัติั้งถูกสิ่งที่เป็นอุปสรรคต้องนึกถึงกำลังใจนี้ขึ้นมานะให้สร้างกำลังใจรู้สึกว่าคุณแห่งพระรัตน์ไหลยิ่งใหญ่นะอย่าป่อให้การเวลาและอุปสรรคใดๆเป็นเครื่องทำลาย สิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะเอาธงไทยอย่งางนี้ไปหาหักในเขตใจของประศาสนานี้ในชาติไม่ให้จงได้เห็นห น, นะนะไม่ว่าอะไรกะทําสิ่งใดในเรื่องศีกรรมศาสนานอย่างเพลินคือสลับซักกันมาบ้างเคยทํานั่นทํานี้ทําก็เป็นเลยอย่าไปกลอุปสรรคอย่าไปเกาะยึดถือว่าไอ้นั่นไอ้นี่เรากล้าที่จะกระทาลงไปเพราะเหตุผลเพียงแค่เราต้องการให้กลับมาเกิดคิดจะคิดกันอย่างนั้นถูกไหม ว่าเราไม่ต้องการกลับมาเกิดทําไมในการมาอะไรเอาวะัะกับสิ่งที่เป็นของภายนอกจริงอยู่ทัพมันไม่จะเป็นของเราคนเดียวอาจจะต้องเรื่องกับคนนั้นเนื่องกับ น, นี้เรื่องกับคนโน้นมีแต่ถ้าเราจิตใจของเราไม่ เ, เดี่ย ว, แ น, วแน่แน่แล้วก็ไอ้ความรู้สึกภาวะพวงมันก็ต้องมีเกิดขึ้นในการที่เราจะเอาทัพออกมาเพื่อทําฌานเห็นไหมนะ่ะเราจะทําออกไปใหงั้นพระเจ้าตาก็าคงทําไม่ได้ถ้าพวงกับลูกพวงกับบริวารพวงกับคนลลวานั้น แม้จะบงมงชื่อเสียงของท่านท่านก็ไม่กล้าสลักไม่กล้าสลักอาจจะหนีไปดีกว่ า, าหนีก็ยังรอดตัวบ้างใช่ไหม เ, เรามากราบขอบพระคุณรท่านกันนะในสิ่งองค์พรดเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานพระบาทพระอารยิยสงทั้งหลายกรุบาอาจารย์สะบกันมานะี่นังปู่ปานว่าบานองโคพระเดชพระคุณของพ่อ หปู่นะแล้วก okay. yeah, em. ็พ่อตาด้วยและหลวงเจวดาัางฟ้าสมายที่เมตตาส่งกอบกับเราโดยตลอดขอขอบพระคุณท่านทํากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประมาทพลาดทั้งไปขอกราบขอข้ามาอภัยไม่ว่าจะเป็นการคิดจะดีพูดจะดีทำก็ดีจะได้มีเจตนาเลยไม่มีเจตนาก็ตามขอเมตตาอดโทษให้แก่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย นับแต่ปับนนี้จนกว่าจะเป็นซึงนนง่งนิพพานในชาติาจักบัณิตเองยังงที่กกันนะจิตธรบุญญาพลังว <c oughs> ันละบุนใด <c oughs> ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย <c oughs> ได้บำเพ็ญแล้วณ <c oughs> โอกาสนี้พอ <c oughs> ที่รตกดงกันนี้ ให้แก่เกรรมในเวททั้งหลายที่เคยล่วงเกินตั้นแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลายท่านทั้งหลายจงโมธนาจงอโหัติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าขรับเั้งแต่ บ, บัดนี้กราบเ้าเข้าสุพระนิพพานและขอที่สุขโสนนี้ ให้แก่เจ้าพระเจ้าทั้งหลายที่กปารักษาข้าพระเจ้าได้แก่ระเจ้าทั้งหลายทั่วสาคนละพิพพและพญายมราชฎรให้พระเจ้าทั้งหลายและพญาโยมราษให้โปรดโมทนาได้โปรดเป็นสักขีพยาในตามบัมเพ็ทกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิดแต่ขอที่สุขุโสนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกขอยู่ก็ดีเป็นยากก็ดีมีใช่ยากก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมธนาจึงได้รับประโยชน์ความสุขเขียนรื่องต่อข้าพพุทธเจ้า ถ้าผู้ได้รับในการระบักเจยวนี้เศษผละบุญใจที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณโอกาสนี้ขอผลลบุญนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงตึก ร, ระนิพวา์ในชาัจจุบันไดเพิญ อารังสมาสัมปุโ a ภควาทุกขังภควันตังอภิวาเทมิสวาก a าโตภควตาสโมอามังนัมมิจุปัติปันโนภคววตาวะวะกัสัง ตั้งครังนั่มามี